สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะฟังเสียงจากสีบานนะครับก็คือการที่พระเยซูนั้นได้ทรงผชนอยู่โปรงชงเป็นก็มีความตายครับภาษาอังกฤษแชกว่า Jesus is alive alive ครับ Jesus is alive เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการที่หลักฐานต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั้นได้ พิสูจน์ว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่ครับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทําให้พวกเราทั้งหลายมีความหวังและได้รับการช่วยเหลือพี่น้อง ค, ครับการปรากฏทักายของพระองค์ภายหลังจากการเป็นมีความตายนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับสําคัญขนาดไหนครับก็คือว่าในปอดศาสตร์นะครับคนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกสาวกกล่าวว่าตัวเองนั้นได้เห็นพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วคนเหล่านี้ หากว่าสิ้นชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเชื่อข่าวประเสริฐนี้ก็คงจะไม่มีการเขียนพระกิตติคุณนะครับและการที่เราจะลบล้างพยานหลักฐานการเป็นเรื่ความตายซึ่งรุนแรงที่สุดก็คือการบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาพูดง่ายว่าเป็นเรื่องโม้ครับนะบเป็นเรื่องโกหกแต่พี่น้องครับนักวิจารณ์พระัมีที่ไม่เชื่อ เขามักจะโต้แยง้งและการโต้แย้งของเขานั้นไม่ค่มีน้ำหนักครับอยากจะให้พี่น้องได้คิดถึงประจักษ์พยานนะครับก็คือ eye witness เนี่ยคือเห็นด้วยตาครับห้าร้อยคนทีเดียวและอุปนิสัยใจคอของเขาของพยานหลักฐานทั้งชายทั้งหญิงนะครับที่ต่อมาเนี่ยกลายเป็นหลักศาสนาหรือศีลธรรมจริยธรรมที่สูงส่งที่สุดในโลก พี่น้องครับคนเหล่าเนี้ยนะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่คนเหล่านี้สามารถคว่ำโลกได้คนเหล่านี้สามารถเป็นพยานให้คนอื่นๆมากมายนะครับเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเยซูผู้เป็นผู้มีความตายถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นผู้มีความตายแล้วพี่น้องครับคนเหล่านี้จะมีปัญญาเหรือครับจะมีกําลังใจหรือครับจะมีความรู้สึก ปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยครับที่จะเป็นพยานนะครับพี่น้องครับเรามาดูอีกแง่หนึ่งก็คือว่าศัตรูของเขายังเป็นพยานว่าพวกเขาเองใช้ชีวิตสมกับคําสอนของตัวเองคนที่ขาดคนไม่ค่อยเก่งนะครับพวกที่ไม่ได้เป็นผู้นําในสังคมแต่เป็นสาวกพระเยซูเมื่อพระเยซูเปเข้าไความตายพระเยซูทรงยกคนเหล่านี้ครับพี่น้องเช่นเดียวกันครับพี่น้องหากว่าตัวเองมีความรู้สึก หรือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถแต่การเป็นขึ้นเหนืความตายของพระเยซูการทรงผจญอยู่ของพระเยซู Jesus is alive เพราะฉะนั้นพระองค์สามารถที่จะช่วยเรานะครับให้เราเป็นคนที่อยู่ในน้ํำทายของพระเจ้าได้ให้เราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จโดยการเชื่อฝังพระเยซูได้ให้เราเป็นคนที่ได้รับพระพ ร, พรที่มาจากพระเจ้าโดยการมีชีวิตติดตามพระเยซูได้พี่น้องครั บ, รบสิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยน นะครับจะเป็นเรื่องโกหกพกลมที่ก็ปันปั้นแต่งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อถือแล้วครับเป็นไปไม่ได้ครับนะบและไม่สอดคล้องกับทั้งหลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเหตุตเหตุผลทางจิตวิทยาเหตุผลทางตารรกะวิทยาไม่สมเหตุสมผลเลยแม้แต่น้อยการที่พวกเขาประกาศเรื่องการเป็นเหยื่อความตายเขาประกาศในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์หรือ eyewitness ด้วยตาของตัวเองครับเขาประกาศในช่วงระยะที่ผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นยังมีชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าจะโกหกก็เป็นการโกหกที่ตบตาคนในสมัยนั้นและจะต้องมีคนเขียนค้านอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานใดเลยครับที่เขียนค้านนะครับมีแต่หลักฐานที่เขียนแล้วบ่งบอกถึงการที่พระเยซูเป็นขึ้นจความตายและชีวิตของคนเหล่านี้ครับเป็นชีวิตที่พิสูจน์พิสูจน์ด้วยตัวเองครับ เช่นเดียวกันครับพี okay. ่น right ้องครับเราในทุกวันนี้เราต้องมีชีวิตที่พิสูจน์การเป็นเหตุความตายการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูเช่นเดียวกันเมื่อเรามีชีวิตอยู่แบบมีความหวังใจเมื่อเราชีวิตมีชีวิตอยู่แบบไม่เหมือนชาวโลกเมื่อเราชีวิตมีชีวิตอยู่แบบทําตามพระหาบัญชาของพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตอยู่แบบอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์แน่แล้วแน่นอนแล้วครับเมื่อเรามีชีวิตอยู่เช่นนั้น เรากําลังพิสูจน์ถึงการเป็นผู้มีความตายของพระเยซูเรากําลังเป็นพยานถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูเรากําลังอยู่ในหลักการและเหตุผลของการมีความสัมพันธ์นะครับติดต่อกับพระเยซูมีความสนิทสนมกับพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นผู้มีความตายแล้ว Jesus is alive ฮาเลลูยานะครับพี่น้องครับเพราะว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่เราจึงเผชิญวันพรุ่งนี้ได้พี่นะครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับที่ พวกแียในสมัยแรงนะั่นจะสร้างเรื่องขึ้นมาเทศนาให้คนเราให้คนเหล่านั้นที่สามารถหักล้างคำพูดของเขาได้อย่างง่ายดายเพียงแต่นำพระศพของพระเยซูออกมาโชว์นะครับถ้าพวกเขาเนี่ยเอาพระศพไปนะครับคนเหล่านั้นก็ไปขุดพระศบพระเยซูออกมาแล้วโชว์บอกว่าไหนละ่ะพวกคุณบอกว่าพระเยซูเป็นผู้มีความตายเนี่ยคือพระศพพระเยซูพี่น้องครับนักวิชาการเขียนนี้ครับว่าถ้าแม้ไม่มีการเป็นผู้มีความตายบรรดานักวิจารณ์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าหัวรุนแรงทั้งหลาย นะครับก็ต้องกล่าวหาเปาโลว่าเปาโ ล, ล, ล, ลหลอกลวงนะครับและหลอกลวงนะฮะหลอกลวงคนเหล่านั้นพี่น้องครับอัครทูตก็หลอกนะครับเปาโลก็หลอกทุกคนก็หลอกหมดนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้าบอกว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นไปความตายหรือการเป็นขึ้นไปความตายนั้นไม่มีจริงพวกเราคริสเตียนนั้นก็เป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนนั้นป๋วพี่น้องครับผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วผมมีความรู้สึก เรียกว่าประทับใจตื้นตันมากเพราะเหตุที่ว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าเรานะครับไดในัาติแรกถึงชาติที่สามครับยอมตายเพื่อพระเยซูยอมตายเพราะความเชื่อของเขายอมตายเพราะความจริงแห่งการเป็นข้ามีความตายของพระเยซูนั่นเองพี่น้องครับเขาเป็นคนโง่หรือเปล่าครับเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนะครับฉลาดมากกว่าเราครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาสัมผัส เขาประสบกับพระเยซูอย่างจริงๆครับมีประสบการณ์กับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างแน่นแฟนจนกระทั่งเขาสามารถสละชีวิตเพื่อพระเยซูได้นี่คือความรักในพระเยซูครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเราอายครับอายเขาเพราะอะไรครับเพราะเราเองนักพระเยซูไม่พอเรายังแสดงออกถึงการทุ่มเทถวายชีวิต ให้กับพระองค์ยังไม่พอนี่คือสิ่งที่เป็นคําอธิษฐานของผมที่มีต่อพี่น้องทุกทุกคนพี่น้องครับเราต้องรักพระเยซูให้มากกว่านี้ครับเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้มากกว่านี้แล้วต้องอธิษฐานมากกว่านี้แล้วต้องอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราทําการของพระองค์มากกว่านี้ที่จะเติมเต็มชีวิตของเรามากกว่านี้ที่จะเจิมชีวิตของเรามากกว่านี้พี่น้องครับการปรากฏของพระเยซูใน ในโอกาสต่างๆให้กับบุคคลต่างๆพระกัมพีบันทึกชัดเจนหลายหลายตอนนะครับผมอยากจะยกเป็นตอนๆ น, นะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้ระลึกถึงและจำได้ <c oughs> พระเยซูได้ปรากฏพระองค์ให้กับมารีชาวมัคาดาลาอันนี้ถ้าไปเปิดพระคัมภีร์นะครับจะอยู่ใ น, ในยอห์นบทที่ยี่สิบข้อสิบสี่ครับนะครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งผู้หญิงนะครับหลายหลายคนครับไม่เพียงแต่มารีชาวมัคคดาลา แตผ่ผู้หญิงที่กลับมาจากอุมโมงค์อันนี้เบันทึกอยู่ในมัทธิวบที่ยี่สิแข้อเก้าถึงข้อสิบในตอนสายวันเดียวกันครับก็อีกเหตุการณ์หนึ่งการปรากฏของพระเยซูกับเปโตครับนะแล้วก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่ยี่สิบสี่ข้อสามสิบสี่นะไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระเยซูยังปรากฏให้กับสาวกที่เดินทางไปยังเอเมอุสกับอยู่ในลูกาบทที่ยี่สิบสี่ข้อสิบสามนะครับแล้วก็ปรากฏให้กับเราอรัครทูดที่อยู่บนห้องชั้นบนนะครับยกเว้นโทมัส ได้ปรากฏในลูกาบบทที่24ข้อ36ในมียอนบทที่29ด้วยครับแล้วก็พูดถึงเหล่าอัครทูตนะครับ <c oughs> แล้วก็โทมัสกับนะพระเยซูก็ปรากฏให้กับเหล่าอัครทูตและโทมัสด้วยและที่ริมทะเลที่เบเรียสก็คือทะเลกาลิลีครับสาวก7คนที่นั่นและฝูงชนอีก500คนนะครับอยู่ในพระธรรม1โครินบทที่15และผู้ที่เชื่อบนภูเขากาลิลีนะครับ ปรากฏกับยากอบครับในพระธรรมหนึ่งโครินเหมือที่สิบห้าข้อเจ็ดปรากฏกับอัครทูตทั้งสิบเอ็ดคนนะครับปรากฏให้คนอีกมากมายเห็นขณะที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ปรากฏให้อัครทูตเปาโลครับปรากฏให้สเตเฟนนะครับปรากฏให้เปาโลในพระวิหารอยู่ในกิจการเหมืที่ยีิบสองแล้วสุดท้ายครับปรากฏให้พัะในพระธรรมวิวรครับยอนที่เกาะปัทธมส์พินครับนี่คือหลักฐานทั้งหลาย ที่บ่งบอกและบ่งชี้ว่าพระเยซูเป็นผู้มีความตายพี่น้องครับหากว่าคําถามของผมในวันนี้ให้กับพี่น้องทุกท่านก็คือว่าการเป็นผู้มีความตายของพระเยซูส่งผลกับชีวิตของพี่น้องอย่างไรส่งผลกับชีวิตของข้าพเจ้าและท่านหนึงหลายอย่างไรขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ <c oughs> ในการที่เราจะสัมผัสถึงฤทธิเดชแห่งการเป็นผู้มีความตายสัมผัสถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูและประจักษ์แจ้งในชีวิตของเรา เพื่อที่เราจะตอบสนองพระองค์อย่างถูกต้องและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์อยู่ในหนา้าพระทัยของพระองค์อยู่ในความปรารถนาของพระองค์อามน